ที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าเกิดขึ้นอย่างที่จะเรียกว่าควบคุมไม่ได้ก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งอาอยุประมาณสักเจเป็นมะเร็งก็แต่ละการฉายแสงแล้วก็ทำเคมีบาบัดเคมีบำบัดนี้ก็1ิบกว่าครั้งนะช่วงที่ทำเคมีบาบัดก็พักอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หลายวัน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 เข้านอนสองคนเนี่ยแม่ลูกก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันดึกๆลูกสาวก็ดินเสียงร้องไห้ให้ใครร้องไห้นะปรากฏว่าแม่ตัวนะั้ร้องไห้ลูกสาวก็เลยถามแม่เป็นอะไรแม่ก็บอกว่าแม่เสียใจแม่น้อยใจนะที่ลูกมาว่าแม่ลูกก็บอกว่าก็อยากจะให้แม่นะ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 อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นความจำได้หมายรู้ก็ได้้คนเราก็เป็นอย่างนี้นะบางทีได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็น้ำลายไหลหรือว่าได้กลิ่นบางอย่างเราก็อาจจะน้ำลายไหลแต่ที่เราเห็นเป็นปกติคือเวลาได้เห็นภาพอาหารเนี่ยเห็นภาพพิซซ่าเห็นภาพไก่ ย, ย่างเราก็น้ำลายไหลนะเพราะอะไรเพราะมันทำให้เรานึกถึงรสชาติที่เราเคยกิน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 จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาต่อมากนะ็ไปสอนที่มายิทรลัยเกษตรมายิทยลัยแห่งนั้นเนี่ยเวลาเวลามีชั่วโมงสอนหรือว่าเลิกสอนเนี่ยไม่มีเสียงกริ่งนะไม่มีเสียงกริ่งดังเพรว่าแกก็หยุดเลิกแกก็เลิกสูบบุหรี่ไปเลยนะ แล้วสูบบุหรี่แบบไม่รู้ตัวมารู้ตัวว่าเเราหยุดบุหรี่ไปก็หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปได้เป็นเดือนแล้วก็มานั่งลําดับว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าที่กเกษตรนี่นะเขไม่มีเสียงกริ่งเวลาเลิกสอนเวลาเลิกเรียนนะพอไม่ได้ยินเสียงกริ่งเนี่ยนะมันก็เลยไม่ได้นึกถึงบุหรี่นะผิด ก, กับตอนที่อยู่สถาบันการศึกษาของทหารเนี่ย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 เป็นอย่างนี้หลายครั้งตอนที่สูดเน่แกบอกว่าไม่ไหวแล้วเลิกทำสมาธิดีกว่าพอทาแล้วทุกครั้งก็เจอมันทําให้นึกถึงประสบการณ์ที่เลวร้ๆสมายที่พ่อเนี่ยทำร้ายลูกนะตบนะดา่าแต่ว่าหลังจากที่แกเลิกทําสมาธิมาสักพักแกก็คิดว่าเถ้าเราจะหยุดทําสมาธินี่มันจะดีเรืองนะเพราะว่าสมาธิมันก็มีประโยชน์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 แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยแกคิดว่าจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ในงันชาตินี้เนี่ยจะ ม, มีวันทําสมาธิได้เลยแล้ววันหนึ่งแกก็พอได้บรรยากาศที่สงบแกก็นั่งทําสมาธิวิธีทำสมาธิก็ปิดตาตามลมหายใจเนี่ยนะพอทําได้สักพักนี่นะมาอีกแล้วนะไอ้มือที่กลัวเนี่ยมันก็โผล่มาแต่ว่าคราวนี้แกตั้งใจว่าเนี่ยแกจะ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 เอาอย่างนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะเอากราบพระ